เช้าเราได้ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะที่ท่านนะไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะนะเพื่อเอามาสร้างสาราก็ซื้อกระเบื้องมามากมายนะแล้วก็อุปกรณ์ก่อสร้างอีกหลายอย่างคงจะรวมทั้งหินดินทรายด้วยน้ำหนักนี่ก็หลายตันทีเดียว เราทั้งหมดย่อก็ต้องบรรทุกขึ้นรถนั่นก็ถามคนขับรถนะซึ่งก็คงเป็นเจ้าของรถแต่ะว่าบรรทุกของขึ้นเขาไหวไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยทางขึ้นเขามันคงจะไม่ได้ลาดยางเหมือนทุกวันนี้มันก็ถ้าคนไม่ชํานาญทางก็ลําบากนะแล้วนี่แถมยังเป็นรถที่ต้องขนของหนักหลายตัน แต่เจ้าของรถก็ดืนยันว่าเนี่ยรถเขาเนี่ยขึ้นได้นะเพราะเขามีความมั่นใจในรถของเขาแล้วถึงเวลานะเขาก็สามารถที่จะขับรถขนของทั้งหมดนี้ขึ้นเขามาได้นะอย่างราบรื่นแน่นอนนะถ้าเป็นคนอื่น ขับรถคันนั้นก็อาจจะขึ้นไม่ได้หรือใช้รถคันอื่นก็อาจจะขึ้นไม่ไหวเหมือนกันแต่เจ้าของหรือคนขับนี่เขามีความมั่นใจในรถของเขาก็สามารถที่จะพารถเนี่ยขึ้นเขาได้เชื่อคนเรานี่จะว่าไปบางครั้งก็ไม่ต่างจากการ ขับรถนะเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์นะการที่คนเราจะนำพาชีวิตเนี่ยฝ่าความยากลำบากหรือว่าไต่เขานะมาถูงจุดหมายไปทางที่ปลอดภัยได้เนี่ย มันก็ไม่ต่างจากการขับรถขึ้นเขานะแล้วจะทำงั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจมั่นใจในอะไรนะอาสาผู้ใฝ่ธรรมแล้วเนี่ยสิงนึ่งที่เราควรจะมั่นใจก็คือมั่นใจในสติถ้าเรามีความมั่นใจในสติเนี่ย มันก็สามารถจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำพาชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวแต่ว่าสวัสดีด้วยในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแค่คิดเอานึกเอานะอย่างคนขับรถคันนั้นเนี่ยเขามั่นใจในรถของเขาเนี่ยเพราะอะไรนะ ส่วนนึ่เพราะว่าเขารู้จักรถของเขาดีแต่มไม่ใช่แค่รู้จักดีนะมันต้องรู้จักทํานุบำรุงรถคันนั้นด้วยคนที่ทํานุบำรุงรถของตัวดูแลดีก็จะมีความมั่นใจนะในรถของตัวถ้าไม่ดูแลให้มันดี ปล่อยปละละเลยเนี่ยมันจะมีความมั่นใจได้อย่างไรถึงเวลาใช้งานก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะพาขึ้นเขาได้หรือเปล่าความมั่นใจนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นจากการที่รู้จักดูแลเอาใจใส่จนเชื่อว่าเนี่ยรถนี่อยู่ในสภาพดี พอทั้งเชื่อแล้วมั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพดีก็มั่นใจแล้วว่ารถเนียจะพาขึ้นเขาได้แม้ของจะหนักก็ตามแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยนอกจากการดูแลทานุกบำรุงรถอย่างดีแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถด้วยถ้าคนที่มั่นใจในรถ ของตัวว่าจะสามารถขนของขึ้นภูเขาได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์นะในการใช้รถคันนั้นอาจจะเคยขับรถขึ้นเขามาหลายครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เขาลูกนี้อาจจะเป็นเขาลูกอื่นหรืออาจจะเจอทางที่ยากลาบากกว่าแต่ว่ามีประสบการณ์ใช้รถอย่างฉันที่ชนานาญ รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของรถและยิ่งมั่นใจในสภาพของรถแล้วเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะมั่นใจสามารถที่จ ะ, อะบอกหรือยืนยันกับหลวงพ่อว่าเนี่ยมันขึ้นเขาได้แน่ในทองเดียวกันนักสัพูุไฟทำเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจนะในธรรมะ ว่าจะช่วยนำพาช่วยของเราเนี่ยให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามได้และธรรมะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือสติเราจะมั่นใจในสติได้เนี่ยนะก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเรารู้จักทานุบารุงดูแลสติอย่างสม่าเสมอเ ร, เรียกว่ารู้จักเจริญสตินะ ถ้าเราจากธรานุบำรุงดูแลสติให้ว่องไวปราดเปรียวเข้มแข็งเนี่ยมันก็มีความมั่นใจว่าสติจะช่วยให้เราผ่านทุกข์สามารถนำความสุขความสงบเย็นมาให้กับชีวิตจิตใจของเราได้หลายคนนะแม้ว่าจะบอกว่าสนใจธรรมะฝ่ายธรรมเนี่ย หรืออจะสนใจสตินะแต่ลึกๆก็ไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยมั่นใจในสติที่มีอยู่แล้วในใจของตัวที่ไม่มั่นใจก็เพราะว่าไม่ได้ใส่ใจอาการทำนุบมรุงดูแลหรือเจริญสตินะอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ แล้วมันแค่มันไม่ใช่แค่ทนุบำรุงดูแลหรือเจรินสตินะมันด้มีประสบการณ์ในการใช้สติมีประสบการณ์ในการใช้สติเวลาเจอความทุกข์สามารถใช้สติรับมือกับความทุกข์สามารถใช้สติรับมือจัดการกับอารมณ์อกุศลต่างๆเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดความวิตกกังวล ความครอบแค้นใจได้แ้วถ้า ม, มีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการกับความทุกข์มันจะมีความมั่นใจในสติได้ยังไงเพราะคนที่ใช้สติเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัดการกับความทุกข์หรือรับมือความทุกข์ที่เกิดขึ้นยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความมั่นใจเพราะเห็น ถึงอนุภาพของสติแต่คนจนวนมากเนี่ยแม้ว่าจะสนใจสติแต่ไม่ค่อยได้ได้เห็นนะอนุภาพของสติเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เอามาใช้หรือไม่รู้จักใช้ที่ไม่รู้จักใช้เพราะก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัตินั่นเองมีเยอะทีเดียวนะฟังธรรมะนะ ฟังธรรมะของหลวงพ่อความเขียนฟังธรรมะของหลวงพ่อเทียนฟังธรรมะของธรรมะแต่ว่าก็ฟังแบบเอาเพลินอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยเออใช่นะสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันดีนะแต่ลึกๆ ก, ก, ก็ไม่มั่นใจยิ่งไม่มั่นใจเพราะไม่มีประสบการณ์ในการใช้สตินะีเวลา เกิดความทุกข์เวลาเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ปล่อยใจให้ไหลลอยจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ฉช่นั้นก็คิดหาทางแก้อย่างอื่นเช่นเวลามันเครียด่ก็ไปดูหนังฟังเพลงซะหรือเวลาโกรธใครก็คิดแต่จะไปห้าหันเขาหรือว่าให้ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัดการคนเหล่านั้น แต่ไม่ได้คิดที่จะใช้สติจัดการกับไอ้ความโกรธความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจเลยท่านังที่ก็ฟังทำมาเยอะแล้วท่านังดิคูบาอาจารย์ก็บอกว่าออให้รู้จักใช้สตินะในการดับทุกข์แก้ทุกข์นะเวลามันมีความโกรธความโศกความเศร้าก็เห็นมันนะอย่าก็ไปเป็นมันให้รู้ทันมันก็ฟังนะแต่ว่า ไม่ได้ทำละไม่ได้ปฏิบัติคนที่พอไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็คือมันไม่เกิดการทานุบำรุงสติให้เจริญ ง, งอกงามในแง่หนึ่งก็คือมันไม่มีประสบการณ์ในการใช้สติเพื่อจัด ก, การความทุกข์มันก็เลยไม่เห็นอนุภาพนะไม่เห็นอานิสงส์ของสติ ในทางตรงข้ามถ้าเห็นอ น, นิสงเห็นอนุภาพของสติน้ำยิ่งศรัทธายิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจในพลังของสติถึงเวลามีความทุกข์นะไม่ว่าจะเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจคําต่อว่าด่าทอาการกระทําคําพูดที่ไม่ถูกใจของใครบางคนหรือว่า เจออุปสรรคความยากลําบากเจอความพลาดพลาดสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยอ่ะก็เอาสติมาใช้แล้วใช้ด้วยความมั่นใจแต่จะนวนไม่น้อยนี่ก็ไม่เอามาใช้นะพะ่ะไม่มั่นใจและที่ไม่มั่นใจก็พ่อไม่เห็นหรือว่าไม่ซึมทราบในอ น, นิสง์ของสติคนเรานี่ยถ้าหาว่าเออเห็นสติแล้วเอาเอาสติมาใช้แล้วจิตใจมันสงบจิตใจมันโปร่งเดาโปร่งเบา มันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจนะที่จะเอาสติมารับเมื่อความทุกข์แล้วก็ยิ่งเห็นความสําคัญของการฝึกการเจริญสติมากขึ้นเพราะว่าหวขนาดสติของเราแค่นี้เนี่ยมันยังช่วยดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าสติของเรานะีมีมากกว่านี้มีกําลังกว่านี้มันจะยิ่งช่วยให้เราเนี่ยรับเมือความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าได้มันเกิดกําลังใจมันเกิดศรัทธา เพราะว่าเห็นด้วยตัวเองนะว่าสตินี่มันดีจริงๆถ้าคนที่ไม่ค่อยปฏิบัตินะไม่ค่อยเจริญสติทั้งที่ฟังธรรมะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นนะว่าสติมันดีจริงๆเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการเอามาใช้ที่จริงมันไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวนะธรรมะอย่างอื่นด้วยนะเช่นวิริยะความเพียรเนี่ยใครๆก็รู้นะเดี๋พะ ถ้าฟังธรมของครูบาอาจารย์หรือว่าฟังคํำสอนพระเจ้าเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับความเพียรมากพระเจ้าถึงตัดว่าเนี่ยบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ว่าหลายคนก็แค่แฟังเฉยๆแล้วก็จดจําได้แต่ถึงเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็ไม่คิดที่จะเอาความเพียรมาใช้ เวลาเจอความยากลำบากเจอความล้มเหลวก็หรือเจออุปสรรคก็ที่แต่จะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิงวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหวังโชคหวังลาบว่าจะช่วยทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคความยากลำบากได้หรือบางทีก็คอยอ้อนวอนวิงวอนคนอื่นให้มาช่วยจัดการแทนแทนที่จะใช้น้ำพักน้าแรงของตัวแต่ลคนที่เขา ได้มีโอกาสทดลองใช้ความเพียรในการแก้ปัญหาในการบารรลุความสำเร็จอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อ, อาจจะเริ่มต้นจากสมัยเป็นนักเรียนเป็นเด็กเจอการบ้านที่มันยากนะแต่ว่าก็กัดฟันใช้ความเพียรจนสำเร็จการเรียนมันจะยากลำบากนะก็ใช้ความเพียรเข้าสู้ จนได้คะแนนดีจากเดิมที่คะแนนหรืออันดับลังท้ายนะแต่ว่าพอเพียรพยายามโอ้มันเห็นผลเห็นความก้าวหน้ามันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจพอเห็นอนุภาพเห็นพลังของวิริยะก็ยิ่งเติมนะยิ่งเสริมยิ่งสร้างนะความเพียรมากขึ้น แม้เวเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากบางทีมันท้อแต่ว่าเราลองสู้อีกสักยกหนึ่งใช้ความเพียรเข้าสู้นะเออมันก็ถึงความสำเร็จหรือว่าผ่านอุปสรรคไปได้อย่างคนที่เดินธรรมยาตราเนี่ยหลายคนเนี่ยเดินได้ครึ่งวันก็ล้าละหรือว่าที่จริงกายมันไม่ลากต่ใจมันท้อแต่ว่าพอ พยายามกัดฟันสู้เพราะอย่งนใครๆเขาก็สู้กันนะเกิดความเพียรเกิดความพยายามในสุดท้ายนี่มันก็ไปถึงเป้าหมายได้ถึงปลายทางได้ทั้งที่คิดว่าจะไม่ถึงนะแล้วพอทำอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันมันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจนะความเพียร น, นี่มันเอาชนะอุปสรรคได้มันก็ยิ่งเกิดความมั่นใจในวิริยะต่อไปเวลาเจออุปสรรคเจอควายาลำบากนี่ก็ไม่ไหวังพึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้ว หรือไม่พึ่งพาเรียกร้องขอความช่วยเหลือก่อนแต่ต้องเริ่มต้นจากการที่ทําได้ตัวเองก่อนเนีบอกเลยว่าพอทำแล้วมันสําเร็จโดยที่ไม่ต้องวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใครก็ยังมั่นใจให้ความมั่นใจในธรรมะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เช่นเดียวกันนะธรรมะอย่างอื่นเช่นการให้อภัยเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าไม่ค่อยมีศรัทธาไม่ค่อยมีความมั่นใจว่ามันจะแก้ทุกข์ได้ เวลาเกิดความขับแค้นขึ้นมาก็คิดแต่จะตอบโต้หรือแก้แค้นถ้าแก้แค้นไม่สำเร็จก็ยังรุมร้อนแต่พอได้พยายามทดลองดนะูในการให้อภัยอย่างเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งเนะ่เพราะมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็ความลืมตัว หุนหานพันลรนก็ไปยิงเขาตายก็ติดคุกนะแต่ว่าเนื่องจากอายุไม่ถึง20ก็เลยไปอยู่บ้านกาญจนาพิเศษส่วนลูกชายของผู้ตายนี่ก็แค้นแล้วเมื่อถึงคราวที่ทำผิดไปลักขโมยเขาก็ถูกส่งไปที่บ้านกาญจนาเหมือนกันลูกชายผู้ตายนี่ก็ด้วยความแค้นมาตลอดนี่ก็คิดจะ แก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อเขาแล้วหาทางตลอดเวลาแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีก็มีคนมาแนะนํานะว่าให้อภัยไปเถอนนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของคู่อริที่ไปฆ่าพ่อเขาแต่เจ้าตัวนี้ก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยจนกระทั่งวันหนึ่งย่ามางานของบ้านการนายพิเศษ แลย่านี่ก็ก็พูดนะกับที่ประชมุมว่าให้อภัยนะให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขาลูกของเขาลูกของย่าเนี่ยคือพ่อของหนุ่มคนนั้นนั่นแหละที่คิดจะแก้แค้นให้กับคนที่ฆ่าพ่อเขาเด็กคนนั้นเนี่ยพอได้ฟังย่าเนี่ยนะว่าให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของเขาก็เกิดได้คิดนะว่าขนาด ยาเนี่รักลูกนะก็ยังให้อาภัยคนที่ฆ่าลูกได้ลูกคนน้าคือพ่อของหนุ่มคนนั้นเนะ่และเราเนี่ยเป็นลูกของพ่อนี่ทำไมเราจะให้อาภัยคนที่ฆ่าพ่อเราไม่ได้พอถึงช่วงเวลาช่วงขณะที่ปรงใจนะให้อาภัยคนที่ฆ่าพ่อได้นะโอ้ามันโล่งเลยนะก็คือนั่นเขียนในบันทึกนะว่าเนี่ย รู้งี้ให้อภัยไปนานแล้วคือคนที่ยังไม่เคยเห็นอนิสงส์อนุภรางการให้อภัยมันไม่รู้หรอกนะว่าการให้อภัยนี่มันมีอนุภาทอย่างไรบ้างต่อเมื่อได้ลองทําดูแล้วพบว่ามันช่วยทําให้จิตใจหายรุ่มร้อนเมื่อเกิดศรัทธาขึ้นมามนเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยการให้อภัยนี่เป็นเป็นธรรมะที่สําคัญ คนที่ใยทําจํานวนมากเนี่ยนะแม่จะเห็นแม้จะรู้ว่าธรรมะต่างๆเป็นของดีแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดความมั่นใจนะไม่ว่าจะมั่นใจในสติมั่นใจในวิริยะมั่นใจในการให้อภัยหรือมั่นใจในเมตตาธรรมเพราะพอไม่มั่นใจเนี่ยถึงเวลาที่มีความทุกข์กันเลยไปไม่เป็นนะ หรือไม่เช่นนั้นก็หาทางแก้ด้วยวิธีอื่นขัดแย้งกับใครแทนที่จะปรับแก้ที่ใจของตัวก็ไปคิดแต่จะแก้แค้นคนคนนั้นหรือไม่ก็ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาจัด ก, การคนคนนั้นแทนให้ออกไปจากชีวิตของตัวมันก็เลยไม่เกิดไม่เห็นอนิสงค์นะของการใช้ธรรมะและสุดท้ายความทุกข์ก็ยัง ก็เลยกัดกินใจของตัวเองต่อไปถึงเวลาสูญเสียก็เศร้าโศกนะขับแค้นแล้วกลดาชะตากรรมบางทีก็ไปโทษว่าเป็นเพราะปีชงนะหรือเป็นเพราะดวงไม่ดีหรือโกรธนะกลดาชะตากรรมทั้งทั้งที่ถ้าหากว่าใช้ธรรมะ ม่วจะเป็นสตินะหรือว่าความรู้สึกตัวหรือว่าปัญญามันก็สามารถช่วยปลดล็อกให้ใจรู้จักความทุกข์ได้นี่เป็นปัญหาของของผู้คนว่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่สนใจธรรมะแล้วบางทีก็เรียก่ตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าผู้ฝ่ายธรรมแต่ว่าลึกๆก็ไม่ได้มั่นใจนะในธรรมะเท่าไหร่ และยิ่งเวลาพูดถึงธรรมะนี่ก็เป น, นึกถึงอะไรที่มันเป็นนามธรรมซึ่งถ้าหากว่าจะพูดให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ก็คือนี่แหละสติสมาธิความรู้สึกตัวความเพียรนะการให้อภัยความเมตตาให้ความมั่นใจในธรรมะนี่เป็นเรื่องสาคัญอยู่นะพราะความพอมีความมั่นใจแล้วเนี่ยนะ มันก็สามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้อย่างจริงจังอย่างเต็มที่เหมือนกับคนขับรถคนนั้นเนี่ยที่เขามั่นใจในรถของเขาเราก็สามารถที่จะพารถของเขาเนี่ยขนของหนักหลายตันเนี่ยขึ้นเขาได้ถ้าคนนี่ไม่มั่นใจนะในรถคันนั้นเนี่ยหรือไม่มั่นใจในรถของตัวนะ แม้รถจะดีนะมีแรงนะแต่ว่าสุดท้ายก็เอาขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ขายความมั่นใจนะแต่เป็นเพราะไม่มีความารู้จักรถคันนั้นเพียงพอไม่เห็นอนุภาพหรือเห็นหรือเห็นถึงกำลังของรถคันนั้นกาจำเป็นมากเลยนะที่เราจะเห็นถึงอนุภาพ ประจักษ์แก่ใจว่าเนี่ยอนุภาพของธรรมะนี่มันมันเป็นอย่างไรนะสติก็ดีสมาธิก็ดีความรู้สึกตัวก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งจะเห็นได้เนี่ยมันก็เพราะผ่านการใช้เอามาใช้ บ, บ่อยๆนะเอามาใช้จนชำนิชำนานอย่างเจริญสติเนี่ยใหม่ ย, ยสติเนี่ยคนที่เจริญสติก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะ อย่าว่าแต่ใช้เลยไอ้ขั้นของการเจืิญสติเติมสติให้กับใจหรือว่าทําให้สติมันเข้มแข็งเนี่ยก็ยังทําไม่ถูกอันนั้นก็ไม่เป็นไรธรรมดาแต่ว่าประสบการณ์มันจะสอนเมื่อกว่ายน้ำเนี่ยเราก็รู้ว่าการว่ายน้ําดีแต่พอลงมือว่ายน้ำเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็มันก็ว่ายไม่ค่อยเป็นหรอกบางทีก็สําลักน้ำเพราะว่าว่ายผิดท่าวางใจไม่ถูก แต่พอเราไหว้ไปนานๆไหว้ไปนานๆเราก็มีความมั่นใจมีความชํชนานิชานาะญการวางท่าวางทางหรือการประคองตัวมันก็ ก, ก็ดีขึ้นและต่อไปเนี่ยนะถึงเวลาจะไหว้น้ำเนี่ยอย่าว่าแต่ลำธารเลยแม้กระทั่งแม่น้ำสายใหญ่ก็มั่นใจว่าฉันจะไหว้ข้ามไดนะ้เพราะว่ามีประสบการณ์นะเพราะว่านะ มีความมั่นใจจรสติเนี่ยถ้าว่ายังไม่เคยเห็นนะว่าเออสติเนี่ยมันช่วยทําให้รับมือความทุกข์ได้นะไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องกดข่มอารมณนะ์แค่เห็นมันนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอ้แค่การเห็นเนี่ยนะหรือว่าการรู้สื่อๆเนี่ยโอ้มันมีอ น, นิสงส์มากมันมีอนุภาพมาก พอเห็นตรงนี้นะมันก็เกิดความมั่นใจนะที่จะฝึกฝึกเห็นฝึกรู้ฝึกดูเฉยๆมากขึ้นมากขึ้นและยิ่งทำยิ่งทำก็ยิ่งทำถูกนะจากเดิมเนี่ยเห็นทีไลน์อดไม่ได้จะเข้าไปจ้องทุกทีนะหรือแทนที่จะเห็นก็เข้าไปเพ่งหรือแทนที่จะรู้ซื่อซือรู้เฉยๆก็เข้าไปกดคมมันเผลออยู่เอยนะ เผอเขา้าบี้มันก็ไปกดข่มอารมณ์แต่ว่าพอทําบ่อยๆทำนี้ํานา้ก็รู้ว่าเออรู้ซื่อๆเป็นอย่างไรแล้ยิ่งเห็นผลนะเออมันช่วยทําให้หลุดจากอารมณ์ได้ช่วยทําให้อารมณ์หรือความทุกขเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็ยิ่งยิ่งเกิดสันทัดในการปฏิบัติความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะพูดไปพูดพูดไปหลายครั้งก็ไม่ค่อยเกิดความศรัทธาเท่าไหร่เพราะยังไม่เห็นผล เราไม่มีความมั่นใจแต่พอพบ ว, ว่าความรู้สึกตัวนี่มันช่วยทำให้หลุดจากอารมณ์ได้นะเออมันก็เกิดความมั่นใจแล้วเกิดฉันทะเกิดความเพียรพยายามในการปฏิบัติมากขึ้นสุดท้ายมันก็ถึงเวลามีความทุกข์มันก็ไม่ต้องไปไปพึ่งพาอบายมุกนะไปพึ่งพาการมาสุขเพื่อที่จะมาทาให้ลืมความทุกข์ชั่วคราวหรือไม่ไปหวังพึ่งโชค หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไปหวังพึ่งให้ใครที่มาช่วยจัดการแก้ปัญหาหเราเราแก้ปัญหาได้ตัวเองด้วยกันแก้ที่ใจมันเกิดขึ้นเองเพราะมั่นใจมั่นใจในธรรมะ